ข้ า, ามานางคัดสมาดคัตสมาดเพชรบบาหรือคัดสมาธินั่นนะเพื่อให้ร่างกายมันตรงไม่ให้มันเอ็นเอียงให้มันพ่อเหมาะอย่าไปเก่งเกินไปปล่อยว่างเป็นว่าให้ปล่อยว่างให้ว่างคลอมยากทำใจไมื่ดินดนาทนาทันใจเหมือนผ่าเช็จเทา เราภาวานากำหนดเราเคยกำหนดทำบทใดเาก็เอาบทนั้นหล่ะมาบริกรรมคือจริตนิสัยของเวนยนยศหนึ่งมันสิบ่เหมือนกันบ่นคือกันเพตฉะนั้นผนจริงบัญยัติไว้แปดมืนสี่พันธรรมขันท้ำของปพุทธเจ้านี่ที่เอามาสอนเวนยศนี่วันนี้เขาเคยบริกรรม พุทธโธพุทธเขาโธออกบ่อหรือว่าทำโม้หรือว่าสังโครหรือว่าอธิกังอธิการกแล้วแต่จาริตนิสัยของเขาเขาเอาบทนั้นละมาบริกรรมหรือว่าเราจะกำหนดล้มอสะสะัศสะพัดสะสะบ่ดูล้มเขาล้มออกเหมือนกับทหารเขาดูย่ไอ้ายเขายุย่ำ น, นะเขาไม่ได้ไปตามคนเขาคนออก เขาดูอยู่ที่ค้นเข่าคอนออกที่ประตูหนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นยังพญายิ็งยังสั้ น, นเพื่อให้จิตมันเป็นสมาธิพอจิตของเรามันบอกแปลกมันไปตามสัญญาอารมณ์ขนาดเขานั่งอยู่นี่มันยังแวบไปหันแวบไปนี่ทามันไปยังงั้นตามที่ครูบาอาจ า, ยารย์ยังหลวงปู่อ่อนพันวาให้กำหนดเร่ง ให้มันที่เขาให้มันมีสติสมมุติว่าเฮาอยู่ผู้เดียวว่านี่ว่ามันให้มันแห้งๆโลดเคลื่อนการประพฤติปฏิบัติสรั่งค้นง่ามความดีนี่มันมันเหมือนกับพ่บ้ายนี่แหละค้นคนเขาเบิ้งนั่นเนาะแต่ว่าเฮาว่าเป็นบ้าบ้านี่คนเล่ า, า้างมวยจักรว่าจะคล้อง ส, เบาบาเองสิเป็นบ้าเ่าเป็นเนี่ยคันมวยจักรจะคล้องสิเป็นบ้าน่ะโอ้ย นั่นละ่ะรักษายากนะอันนี้ก็คือการการสร้างคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายที่เล่าไหวาพาก็ดีรักษาศีนก็ดีก็มาร่วมอยู่ที่การภาวนาเนี่หละเออให้ท่านก็ตามนี่ลหละเป็นบุญใหญ่ที่สุดเหมือนกับเ้าแตงสำหรับมาขันเ้าแตงมาแล้วเขาบอรประท่านมันก็บรรสําเร็จ อันนี้ก็คือกันเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์พรพระพุทธศาสนาแล้วอ่นนอานเ้งเฮาขอตองปฏิบัติเอาเฮาเชื่อแน่แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแต่เฮาตาั้งคนก็นกนตั้งเบืเห็นอืมเห็นแต่รูปคนแต่เฮาเชื่อแน่แล้วว่าพระพุทธเจ้าพคนสามารถประพธปฏิบัติ สัตว์สู่แล้วมาสอนสัตว์ตาวโลกทั้งหลายให้เข้าซูปนิพนานได้นั่นเฮาเสียแล้วบาดนี้เฮากับประพฤติปฏิบัติเอาเลยบัญเออเหตุจังไรมันก็มีอยู่ตำรับตำล่าครูบาอาจารย์เพิ่นก็สอนไว้เฮาก็เอาอันนั้นแหละมาเป็นบรรทัดฐานเป็นแผนที่แต่เฮาวรดยึดแผนที่ได้บาดนีเพื่อนให้น้อม เขามาโอปาญิโกน้อมเขามาดูใจของเล่าเนี่แต่ละมือแต่ละวันแต่ละวินาทีเพื่อให้เอาปัจจุบันนธ ร, รมอดีตมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยว่างไปอนาคตยังไวมากถึงขย่าไปคำนึงมัน่นเอาปัจจุบันนธ ร, รมไใหู้ยุนี ว่าเวลานี่ขณะนี่เราเหตัญงเรากําลังประพฤติปฏิบัติเรากําลังภาวนาภาละทุกสิ่งทุกอย่างเราว่างไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนเราบอกไปหยุงมัน่นเออนั่นแล้วก็สนใจแต่คั้มบริกรรมของเราละจิตมันจะเป็นสมาธิหรือว่า เ, าเป็นสมาธิเราบอต้องไปบังคับมันมันเป็นไปเองขามัน้าเล่าสั่งเหตุเพี้ยงพ่อแล้วเออ ถ้าเล่าสร้างเหตุบอเพียงพ่อมันก็บ่เป็นเหมือนกับเราปลูกผลละไม่นี่นแหละเราจะเล่งให้มันเป็นไว้ก็บ่ได้กันบ่ถึงการถึงเวลาเราเหตุหน้าก็คือกันักเข่าก็คือกันดำหน้าก็คือกันมันถึงการถึงเวลามันเป็นไปเองอันนี้ก็เหมือนกันเล่าสรา้ า, สรางเหตุให้มันพ่อสร้างเหตุให้มันถูกมันถูกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เล่าเกิดมาเป็นมนุษย์ สมควรแจ่าการฝ่าพืชปฏิบัติเอออาการสามสิบสองเราก็มีเพียบพร้อมแล้วนั่นเราก็ประพืชปฏิบัติเอาลาบันีออ้อไม่ใช่ว่าเราว่าดว่าเเร า, าจะอาว่าเราวาดชนะน้อยบุญน้อยไม่ใช่เออเรามีบุญหลายแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เออนี่ยให้เราให้เราสางเอาทําเอา เออย่างเฮากินเขานี่ล่ะขันเฮากินเฮากับอิมผู้อื่นว่ผู้อื่นกินเขากับอิมเฮากับประพฤติปฏิบัติเฮาก็ได้แจ้เฮาลูกหลานอยาตีพี่น้องกับบ่ได้ไปเหตุเอาก็ทําได้นั้นไอ้สร้างเอาทําเอานี่ล่ะเพื่อนผ้าประพฤติปฏิบัติอันนี้เพิ่นผ้าเห็ดเพื่อความสามัคคีเมื่อเราเลิกออกจากทีของเฮาเราก็ประพฤติปฏิบัติเอาให้มันต่อเนื่อง ให้เป็นผ้าวิตาบาหูริกาตาเออที่จังไหมันจะจะเป็นผ้าวิตาบาหูริกาตาแล้วก็ต้องน้อมแล้วลึกเขามาโอปนาจิโกดูดูที่ใจของเล่านี่แหละเดี๋ยวนี้คณะนี่มันคิดใจของเล่ามันเป็นศนหรืออกุศลเออถ้ามันเป็นอกุศนมันก็วุ่นวายแล้วเออเดือดร้อนอืถ้าใจเดือดร้อนแล้วร้อนมดร้อนทั้งกาย ร่อนทุกอย่างหล่อนทั้งวาจาเออ้าใจมันเป็นบุญแล้วก็บสบายล่ะบุญเป็นสิ่งที่สบายเออไผ่ไผกับปราถนา อ, อืมไผ่กับชอบทํามาบุญบุญนี่เหตุฉนั้นเฮาจึงตั้งใจประพืชปฏิบัติเอาเห็ดเอาทำเอาเราจะจะไปอ่างการอ่างเวลาเออเวลานี่มีมีทุกคนเออ การฝร่าเผยปฏิบัติยูที่เห่ายู่ที่การกระทำของเห่าเนี่ยท่านั่นจึงว่ากรรมคือการกระทํำยูที่เห่ากร ะ, ะทําเอาาเห็ดเอาเออเห่าเห็ดมากก็ได้มากเห่า เ, าเาห็ดน้อยก็ได้น้อยเอเอเหาบะเห็ดมันก็บะได้ยูซื่อซื่อก็อยูซื่อซื่อละใจมีแต่มันติล่องลอง้ลอยลงไปสู่ทีตามการเห่าพยายามพยายามดึงขึ้นเนี่ยท่านั่น เราจะแต่ละมือแต่ละวันเราต้องหาเวลาปีกเวลามามาพึกภพุธปฏิบัติไหวพระจดมลเอาบุญกุศลใส่ใจของเฮ้าเฮ้ยใจน่ะก็เป็นหน้ามาถ้มบุญน่ะก็เป็นหน้ามาถ้ำซึ่งเรานี่มันเข้ากันได้ส่วนร่างกายเนี่เป็นที่อาศัยสื่อนะเขามาอาศัยส ว, ว่างโซ่ข้าวพักพิงส ว, ว่างโซ่ข้าวแล้วก็จากกันไปละกันไปก็บไม้ถึงว่าความตายนั่นแหละ ความคำ ว, ว่าความตายนี่มันตายไปทุกทุกมือทุกเวลาเด้เออตายมาตั้งแต่เด็กเล็กเด็กหน่อยเด็กใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ตายมาเรื่อยๆแล้วจนว่าตายปกปิดตายเนี่ยอันนี้เรียกว่าปฏิปฏิตายปกปิดจนว่าถึงก็ตายเปิดเผยเออเฮาจังหูเหตุนั้นพ่นว่าชรากความแจที่เฮาสวดไปเยอะนั่นอ่ะเฮากล่าวมาพิจารณา เพือเลามีความแก่เป็นธรรมดาเอาพิจารณาให้เป็นให้มันเป็นธรรมดา อ, อืถ้าเล่าพิจารณาให้เป็นธรรมดามันก็สบายแหละจร่งเ่านี่มันเป็นไปเพราะเพราะสิ่งเ่านี่มันตกอยู่ในไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตามมันเกิดขึ้นมาแล้วมันบดเที่ยงอืมทุกสิ่งทุกยอย่างยวียนสภาพจร่งเหล่านี่ตกอยู่ในสภาพไตรลักษณ์เหตุฉะนั้น จะเป็นไอสังขารมีใจข้องกัตามสังขารที่บ่มีใจข้องกระตามาา ม, ตา ม, มันตกอยู่ในสภาพสิ่งเรานี่มันแล้วแต่จะ่าหรือจะเลีวแล้วแต่บุญแต่วาสนาเราเคยสั่งสมอบรมมากแต่สาตรกองก้อนฝังก้อนถ้าเราสั่งสมบุญอุศสนสาตรกกอนฝังก้อนไวมากเราก็ได้ครอบคล้องไปนานถ้าเราส้างสมอ บุญกุศลไว้น้อยมันก็ได้คอบค้องน้อยนี่เออมันก็ได้ยู้บ่ได้นานเออถ้าเล่าบประพุธนปฏิบัติบานีเล่าขาดทุนสุนดอกเออหมายถึงว่าบ่ได้ยังเออพนันจึงอุป ป, ปาปมัยเหมือนกับเล่ามาค้าขายเกิดขึ้นมาแต่ละภพราชาตินี่มันจะขาดทุนอยู่กอยู่ที่เล่า มันจะได้กําไรก็อยู่ที่เล่าแต่เดียวนี่ปัจจุบันนี่เล่าอาศัยบุญแต่ศาสตร์กรปางก่รห น, นุนเล่าไหวนะถ้าเล่าบ่อส้างบ่อถ้มันกับบ่มี่เด้ในภพน า, นาชาณาเราจะไปหวังข้างนาบ่าได้เราต้องต่างเอาทําเอาเหมือนกับเล่าทําห น, น้านี่แหละเราถ้ำปีนี้เราก็เอาไว้แต่กินพุะธพินาพุทธนะอันนี้ก็สันได้แต่ว่าคําเว้า คำพันเว้าคำมันมายายนะ่ยมันมันมันปังง่งายง่แต่ถ้าเราเอามาพิจารณาเออภนว่าจึงว่าโอ้พานธิีโกน้อมเข้ามาพิจารณาเข้ามาอยู่กวางศอกนาวานาคือปาริมณฑนนี่แหละการประพฤติปฏิบัติมันนี้จากนี้มันจะเป็นแปด0มืนี่พันพระธรรมขันโก็ตามก็ออยุนในนี่แหละเออ น้ำหรือรูปหรืออนิจจังมันก็เยอะในนี่ที่ผืนผ้าสวดเมื่อกี้ได้ไอ้นั่นนะอาทิตต์ปริยานะสูตรนะั่นนะอาทิตย์หมายถึงว่าความของร้อนหมายถึงดวงอาทิตย์นี่แหละใจนะ่ะมันร้อนเออใจมันวุ่นวายแหมเราเบิ่งใจของเราแต่ละมือแต่ละวัน น, ะนั่นนะการประพฤปฏิบัติแต่ละมือแต่ละวันมันสีบกคือกันเด้เออบางมือนี่พอนั่งเขาปุ๊บ กฎว่ากำหนดบทธรรมบทใดก็ร่วงจิตก็สอบนั่นบางมือเอาแล้วบานีบุญไหวนั่นมันก็เป็นของธรรมดาละของเข้าฝึกใหม่เห็นแต่พูดค่อยฝึกเคยป่อยปฏิบัติมานานเหมือนกับเด็กน้อยมันหัดเดินใหม่มันก็ล้มลุกคุกข้านไปธรรมดาเออมันได้บ้างบ่ได้บ้างเออมันก็ยังดีดีกว่าบ่ได้เห็ุ ดีกว่าบัณฑิประพฤตปฏิบัตินี่ให้เฮาเข้าใจอย่างนี่เห็นมาเวลานางบางมือมันจิตใจมันวุ่นวายมาจากเลิกซะหรือว่าเจ็บหันปวดนี่อันนั้นนี่สิ่งเล่านี้นเป็นของธรรมดาของมันประจำอยู่โลกอันนี้เราจะเกิดขึ้นมาก็าตามเ่อเกิดขึ้นมาก็าตามมันเป็นอยู่ยังนี่ให้เฮาพิจารณา ยังนี้มันก็สบายแล้วบานนี้ปล่อยว่างเป็นเรื่องของเขาของเราเล่าก็ะจะาภาวนาเอาบุญใส่ใจของเราไปเมื่อพ้ายภาคนานั่นเหตุนั้นน่ะถ้าจะไปรอวันประกันพุ่งวัน่นวันนี้พุ่นนี่ไม่ได้การเวลามันกหมดไปชีวิตกหมดไปอายุไขก็กมดไปแจไปเรื่อยๆ จนถึงหมดล่มปานเนี่ยท่านนั่นผมยังว่าให้ย่าให้ประมาทเออให้ดูล่มอสซาสะปัสส า, าสะเนี่ยถ้ามันเขา่ามันบวกลับออกมามันก็ตายถ้ามันออกไปมันบวกลับเข้าไปมันก็ตายเนี่ยยุแค่นี้ข้อตายของคน้เาเข้านี่หมดยุที่ไก่ได้ยุไก่ไก่เนี่ยเท่านั้นผมยังไม่ม ป, รประมาทการประพปฏิบัติ เราจะอยู่ใส่เราเห็นงานอยู่ใสเรากับภาวนากำหนดอยู่นั่นแหละยังปวดตาด้วยก็มั่นกันอันนี้พิจารณาได้เลียวมันเป็นของหยบบาบหยามบังมือเพิ่นก็เวล่องปวดตาเออเอาขอวัดเรียกว่าขอวัดอืมถ้าผูใ้ใดขาดขอวัดก็ขาดการประพฤติธปฏธิบัติล่ะอันนี้เรียกวัดภายนอกเอ วัดภผยในกับไม้ถึงว่าการไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเอาบุญกุศลใส่ชันตัวอยู่ที่กุฏิหรืออยู่ที่ผ้ของเจ้าของนั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งการทำงานชนร่วมหรือขอวัดอันนี้อีกเรื่องหนึง่งเออนั่นการไผขาดขอวัดกับไม้ก็ขาดการพระวันหน้าสายปฏิบัติเพิ่นเพิ่นเพิ่นกำหนดกันยังซี่ อันนี้ก็คือกันถึงว่าเล่าเป็นคารวาตญาตโยมเราก็ละเสียสละเวลาพอถึงเวลาเราก็มามาวายพระสวดมนต์การหวายพระนี่ไม่ใช่นั่นนี้ทําให้จิตเป็นสมาธิถ้าจิตวันไหนจิตบ่เป็นสมาธิมันกับวาว่าได้ว่ากับพิษพิษถูกๆเออนั่นละ่ะคําว่าสมาธิมันก็มีอยู่หลายขัน คือคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิอปปนาสมาธินั่นมาในห้าลพิจารณาเบิ้งของเฮ้ายู่ขันใดการจิตมันจะร่วมมันก็บรรคือกันแต่ละ ค, น แ, ละคนแต่ละบุคคลคือจรินิไสยบรคือกันออบางคนพอกำหนดเขากำนดเขาจิตมันจะดิง้งเงียบไปเลยเป็นสีก่กะมี บางคนนี้พอกำหนดเขากำหนดเขามันจะเงียไปริบเรียบสบายก็มีบางครั้งมันเป็นพรลมนั่นล่ละแต่เล่าคณะเราขาดสติเราบเบิงมันก็บมโหจักบางที่มันมิงไปจังสงบไปก็มีเนี่ยมันหลายอย่างแต่เล่ายาคายาเผอสติอันนียสำคัญสตินะยาไปเผอสติ มันเป็นขาให้มันเป็นยุหันละเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของธาตุของขันเออของเขาเป็นเกิดมายัางสี่เขาเป็นยุยังสี่ขอให้ใจเขอานักแน่นใจเขาเป็นสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเบิงยุหันดูยุหันมันเป็นกับเป็นเรื่องของเขายาญาไปน้อมตามพญายาไปตามสัญญาอารมณ์ค้นใด การภาวนาขันไปตามสัญญาล่มเห็นหนัน่นเห็นหนี่ไปนั่นหลงละบ้านดีบ่ดีก็เกิดเป็นบานั่นพอหลงสัญญาเขาก็เคยสวดอยู่แล้วสัญญานิจาสัญญาปเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นของมันยังบ่แน่นอนด้สิ่งเรานี่มันยังบ่ถึงวีมุตดความลดพ้นถ้าถึงวีมุตดความลดพ้นละเอออันนั่นนะ่ะ เรียกโลกุตะตะละมัต้องไปว่เาแล้วอันนั้นเนื้อโลกแล้วสบายแล้วบันมันเป็นสัน้นเหตุฉะนั้นมันกับเป็นของธรรมดาละเล่าฝึกไม่ทำไม่เหตุไม่เข่ามาไม่มาเหตุไม่มันกับเป็นของห ล, ลงลุกคุกคามเป็นของธรรมดาได้บ้างบ่ได้บ้าง เราจะไปเสียใจให้เอาพุ่มใจในการประพฤติปฏิบัติของเฮาให้เบิ่งที่เหตุคือการกระทํำถ้าเร า, าสาั่งเหตุมันเพียงพ่อสั่งเหตุมันดีมันก็ได้เออมันได้อยู่นั่นละการประพฤติปฏิบัตินะเรานังน้อยก็ได้น้อยเรารังมากก็ได้มากเออคําว่านั่นนะ่ะเมื่อมันเป็นสมาธิแล้วบอต้องไปถามกันดอกอันนั่นนะ่ะ คือว่าคำว่าสมาธิความตั้งใจมั่นน่ะนะมันอิม่มนะที่คิดเป็นสมาธินั่งมัดเพื่อนสอดแจ้งก็ได้เออมันเป็นเังสันออ้นเออข่าเหตุได้ทําได้บ่มีความหิวความนั่นบ่นั่นบ่เกี่ยวกันเมื่อเราถอนออกมาจิตก็สบายเดินนี่เหมือนกับบ่เหยียบแผ่นดินคนละเออ สบายนั่นเหตุนั่นให้ซึ่งให้เราตั้งสัจจะความจริงเออใจเออสัจจะอธิษฐานขอหลอกผู้อื่นพอหลอกได้เอะตัวผู้อื่นพอตัวได้แต่ตัวเจ้าของตัวบ่ได้เออพอเราหูเราเองอยู่อันนี้ก็คือกันเมื่อเรานั่งแล้วมันจะยุ่งมากัดก็ตามเราก็ให้ท่านมันไปเสีย ความเจ็บความปวดมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็ดูหยอนโอปนายโกน้อมเข้ามาเบิงอันไหนมันเป็นผู้เจ็บอันไหนมันเป็นผู้ปวดบานหนังมันเจ็บบอมันไหนว่าบอใจได้ไปตูเขาเออเราไปตูเขาอันนั่นก็ของกูขาของ ก, งงกูหนังของกูเหนือของกูอะไรของกูมดมันก็เลยไปยึดยู่หัน พนยังว่าว่างปลอยว่างอุปาทานคว่มยึดมันถือมันน่ยอยู่ที่ดูที่ใจของเราเนี่ยนะมันเดี๋ยวนี้เวลานี้เราจิตเล่าอยู่กับคําบริกรรมไหมเน่ยเวลาพันว้าให้ฟังหรือพันอธิบายให้ฟังนี่เราต้องเอาใจฟังเด้ไม่ได้เอาหูฟังกาเอาหูฟังนี่มันทะลุออก เดี๋ยกวก็ออกใจเดี๋ยกวก็ออกขวาแล้กวก็ไปอย่างนั้ละไปตามสัญญาอารมณ์ถ้าเอาใจฟังนี่จิตมันจะดิง่งดิงดิงมันไปเลยลนะ่ะตอนนี้เป็นเรงสั้นการฟังธรรมมันหลายอย่างเออธรรมะคือสภาพที่คงไว้ยังเอออ น, นิจจังเป็นของบาเทียงมันกลเป็นของบาเทียงแน่นอนนั่นทุกขงังความทนทุกข์เพราะละมาน อนัตตาความบอกว่ายาว่าบ่ฟังบอกบ่ให้เจ็บมันกับเจ็บบอกบ่ให้ปวดมันกับปวดบ่ให้แก่มันกับแก่ บ, บอกบ่ให้ตายมันกับตายเนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนทางนั้นที่พระพุทธเจ้าเป็นตัดไวเป็นก้าวไว้เหตุฉะนั้นเราอย่าไปนั่นเมื่อซิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเราก็อมาพิจารณาหนอมมาพิจารณาให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายถ้าเกิดความเบื่อหน่ายละเออ เราไม่ได้ไปสนใจมันละเราไม่อยากมาเกิดจะแม่บันเอออันนี้เล่าไหวพระสดม่นหรือหห้ท่านไหนเรากลับปาธนาแต่อยากจะเกิดนั่นพออยากเกิดแล้วมันกลับเป็นทุกข์ละชาติคือความเกิด้ามีความเกิดแล้วมันก็ับเป็นทุกข์นี่ถ้าไม่มีความเกิดไม่มาเป็นทุกข์แม่มันเป็นงั้นนี่เดี๋ยฉะนั้นนะเทา เฮานี่มิตรปาตนาจะเกิดผู้หน่อยเป็นเทวดอ ม, ดมเทวดาแต่ว่าเราบริจาคได้บานนี่เทวดายึดใจบานนี่ก็ยึดที่เฮ่านี่แหละยึดที่ใจเฮ่านี่ล่ละบังใจเฮ่านี่โอปนอโกโน อ, อมเข้าม่าแต่ละมือแต่ละเว้นบางครัง้งใจของเฮ่านี่แหละมันเป็นอย่างเป็นม่านเป็นเปดเป็นผีเออนั่นบางครัง้งใจดีใจสบายนั่นละ่ะใจเป็นเทวดาใจเป็นเทวดธรรม ใจมีฮิลิความละอายใจมีอตตปะค่มจริงกัวต่อบาปบ่กากระทํามค่อมชัวนั่นละ่ะใจเป็นเทวดาเฮาบ่ต้องไปเอาเทวดาโลกนอกนอกโลกนอกสงสารนี่ยังมันอยู่ในนีล้ล่ะอยู่ที่ใจเขาเฮ้าบ่ใจว่าตายแล้วจังใจไปเกิดเป็นเทวดาด้เออเอาปัจจุบันนี่แหละบ่เอาที่อื่นก่อนพระพุทธเจ้าพปนติตัตตะลู่ปนเอาปัจจุบันอธรรมเด้ พ้นสั่งบาลามีมาแปดหมืนสี่พันอสงไขยเชิญือนั่นนะพ้นกะเอาปัจจุบันนัรธมมาร่วมอยู่ในปัจจุบันนัทธมนี่พ้นจงเดตัดสรุปอันนี้ก็คือกันเล่าสั่งบุญกุศลสั่งคุณงามความดีมากแต่ละปีแลแต่ละเดือนแต่ละพบแต่ละฉาติแล้วก็มาร่วมในปัจจุบันนัรธมนี่แหละเออมันจะเป็นบุญใหญ่ เออใจเห่าก็บสบายแล้วบันี้เออให้เอาปัจจุบันพอในเวลานี่ขณะนี้เราว่อดี้ไปสร้างควมชัวยั้งเขาบอดี้ไปรักซักเอรักจกจกหัผู้ใดเขาบอดี้ไ ป, ไปขาดสัตสิบิทยัง้งเออเอาปัจจุบันนี่ อ, อดีตที่ล่วงไปแล้วเราก็อเอาคำนึงถึงอนาคตยังไม่มาถึงเราก็ไปคิดไปไปน้อมเอาเข้อมาเอาปัจจุบันนธรรม มันก็สบายแล้วเออสินเอ อ, เ, อ, อเหตุนั้นออการประพฤร์ปฏิบัติมัดูที่ฐานเออเขาสร้างบ้านสร้างเฮือนเออสร้างตึกสร้างลานเขาก็อาศัยฐานนั่นแหละถ้าฐานมันดีการประพิติปฏิบัตินี่ก็อาศัยฐานคือสิน อ, อืมถ้าสินมันดีก็เอาปัจจุบันนั้นินนี่แหละเออสินมันดีเอาในขณะนี้เวลานี้ออ จิตมันก็เป็นสมาธิง่ายปัญญามันก็เกิดขึ้นง่ายเออเราพิจารณาหน้ า, นาอันใดก็ลงเป็นเรื่องสัน้นเนี่ยกา ร, ป, รปฏิบัติ <c oughs> ต่อไปนี้เอา้ากำหนดพิจารณาให้เบ่งใจของเจ้าของเรากำนดบทธรรมอันใด เราอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปยายบอยคนจังอุ ป, ปมาปไมาเหมือนกับพวกชาวนาเขาทำํำนานั่นละ่ะเขาทาปีไดเขาก็ปักลงที่ดินนั่นละ่ะอาศัยน้าอาศัยอากาศอาศัยน้ำอาศัยการดูแลรักษากเหมือนกับเล่ารักษาศิล ข, ข้าวเหนี่ยล่ะการภาวนาก็คือกันเราเคยกำหนดทดําบุญใดเราก็ก้มนดทําบุนั่น จิตเราจึงเป็นสมาธิจิตเราจึงอยู่มันจังโบวกแวกคอนแค้นนั่นเราเอาท่าหมดนั่นแหละมากพิจารณาเดี๋ยวก็เปลี่ยนอันนั่นเดี๋ยวกัเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวเพิ่นว่าอันนั่นมันดีได้ยินเพิ่นว่าอันนั่นมันดีเพิ่นว่าอลาหังอลหังหรือว่าสัมมาอลาหังมันดีเอาไปเปลี่ยนอยู่เรื่อยมันกับบ่ได้เลยคือเขาปลูกต้นใหม่เขาใหญ่บ่เศร้าใหญ่บ่เศรามันก็เลยตายก็เลยไร่เหตุเลยบ่ได้ผลยั้งอันนี้ก็คือกัน ถ้าเรามันจลิตนิสัยสอบอันไดเท่าขกับกำหนดอันนั่นล่ะเบิ้งอันนั่นล่ะให้มันเป็นนิสัยเออเป็นปัจจัยเมื่อมันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเมื่อมันเวลาเขาเข า, เขาทีละมันก็พอกําหนดเขามันก็ดิ้งของมันเองดอกอันนั้นนะบ๊อบบ๊บบอบได้ยากเฮ็ดเฮ็ดม <het> ันจนเป็นนินะนสัยญี่ปุ่นออะมันสิเสียงยั้งมากกสร้าง เอาน้อมสู้ไต่ลักคืออันนี้จังมันเกิดขึ้นแล้วมันกระดับมันเกิดขึ้นแล้วกระดับอันนี้ก็คือกันเราไปดิสนใจถ้ามันทําได้เหตได้ถึงขนาดนี้เราไปเพระหน้าอยู่ไซก็ได้เออ น, นั่งยืนนั่งยืนในตลาดก็ได้เราไปดิไปสนใจเออนั่นพอจิตเอามันแน่นอนแล้วเออมันเป็นสมาธิแล้วเออสมมติว่ามัน เคลื่อนหลายเขาก็วกเขาม่าสิ่ละ่ะย้อนเขามา่าอยู่ภายในกําหนดอยู่ภายในอืมเหมือนกับเขาทําหน้านเนี่ยแหละเขาทํางานนี่แหละเขาเหตุงานเ ม, มือ่อเขามืออะไยเขาก็รับประทานอาหารแล้วพักพ่มีกําลังก็ออกมาเรียกว่าไม้ที่ว่าเขาสมาธิอืมอยู่ในขันอัปปนาสมาธิอืม สินางมัดขึ้นสอดแจ้งก็ได้แต่ว่ามันม่เกิดปัญญาด้บาะนี่มันเป็นสมาธิคล้ายๆกับสมาธิหัวต่อเออถ้าเล่าอยากเดินวิปัสสนาแล้วก็ย้อนออกมากยุแค่อุปจาราสมาธิเออมันยุขันใด้ดิบนี่อุปจาราสมาธินั่นยุขันเวลาอุปมาปะไม่เหมือนกับเปล่าเขาไปในเฮียนห้องนั่นแหละ เขาไปแล้วเราจังบาได้เอาอย่างได้หรือเรากลับออกมาหาเราเว้าโองที่เราพูดทั้งสี่มันง่ายแต่เวลาเราทำมันก็ยากเพราะยากอย่างเพราะใจของเล่าเนี่ยมันเคยไปตามสัญญาอารมณ์มันเค่อยไปเป็นนิสัยไปแล้วบาดเลยเราสิดึงเขามาให้มันเป็นสมาธิมันก็ยากแต่มันก็บ่าเือวิสัยเออ พอพระพุทธเจ้าพันตัดไปแล้วว่าทำแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่สมคว้นแก่มนุษย์ไม่ไม่สมควรแก่สัตว์อื่นนะนั่นสอนได้ที่มนุษย์นะสอนให้ดีก็ได้มนุษย์นี่สอนให้ชัวก็ได้นั่นอยู่ที่ใจของเฮาคันความพ่อใจแล้วอันยั้งกัเหตุใดความชัวกัเหตุใดความดีกัเหตุใด ทมาควา่ำพอใจแล้วนี่ก็คือกันเล่าพ่อใจแล้วเราจึงมุ่งนาเขามาประพฤติปฏิบัติดัดกายของเล่าดัดว่าจ่าของเล่าดัดใจของเล่าคําว่าใจใจนี่มันเป็นหน้ามะทำ่ำพันสมมุติใจกว่ามโนกว่าหรือหาไทยกว่าเราจะไปเข้าใจว่าอัน คือปีกกล้วยอยู่ในกลางอกของเล่าน่นเนะมันพองแวบพองแวบยอนั่นนะมันมอเมนเน่นะอันนั่นเป็นเป็นนั่นเนีเ่นนนเนะเป็นวัตถุเออแต่มันไปอาศัยยืหันละใจแท้ๆมันเป็นหน้ามาถรำเออบุญกุศลกับเป็นหน้ามารรมเหตุนั่นซิ่งแล่านี่เราก็ต้อง เฮ็ดให้มันเข่ากันได้วัตถุเข่าของเงินทองสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในโลกอันนี้มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยซื้อเราจะหอบหิวเอาไปบ่อได้เฮ็ดจังไหนมันจึงสิบแปลสภาพจากวัตถุมาเป็นหน้ามาทำได้คนจึงสมมุดให้ท่านนั่นแล้วก็การรักษาศีล น, นั่น การภาวนานั่นเพหตุ เ, เหังสั้นมันจังจะเป็นบุญมันจะสมควนแจใจใจนี่บ่าตายใจนี่บ่แก่ออผู้เขาลูกบักไงมันก็จะแบกได้อยู่คนเด้ใจเนี่ยออแต่ร่างกายมันบ่ห่างบ่สมดุลกันนั่นเหตุนั่นเวลาคนตายมาเนี่ยเวลา คนตายมันก็ว่าจะอยู่แล้วบนี้ออกไปละเหมือนกับไฟไหม้เฮี้ยนเฮ้านี่ก็ต้องออกหนีไปหาสางอยู่ที่ไมออ่อยู่พบไม่ทั้งสั้นละอันนี้ก็คือกันเมื่อเล่าบ่ได้ฟังถ้ำคำั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็บห่หออูบางครั้งก็เข้าใจว่าออกจาก ชาตินี้พบนี้ไปแล้วก็สาบสูญไปเลยมบเป็นนังสัน้นต้องไปตามบุญตามกรรมตามการกระทําของเฮ้าถ้าเล่าทําดีก็ไปสู่สุคติไปเกิดอยู่ที่ดีถ้าเราทํ า, ททท า, า, ทาความบด่ดีทําบาปมันกลับไปตกทุกข์ทรมาน น, นั่นแหละนั่นเดี๋ฉะนั้นนะเวลานี้ กับเปเวลาที่สมคว้านการประพฤติปฏิบัติการสร้างเอาคุณงามความดีเมื่อเมื่อธาตแตกขันมันสาระอสลายไปแล้วบ่วมีโอกาสเด้อ่มีโอกาสทําได้สร้างได้ที่จะมีโอกาสสร้างได้ทําได้ก็เพราะยังมีชีวิตอยู่นี่แหละยังมีล่มป่านอยู่นี่คนเห่าการประพฤติปฏิบัติ